าจจักไม่พรูเข้ะพุดปฏิบัติ น, นี่อานิสงส์ของการศุดองค์ลมจิตถึงจีตศุดตามสำรับตามล่านตามครูบาอาจารย์ทั้งก้าไหว่เสรนจยังนั่นห้องทัวไปจิตมุ่งแมะแสวงหาคุณงามความดีแต่อยากจะมีส่้ำสุก ข, ของใจอยากจะเป็นผูบริสุทธิ์อยากเยี่ยวของในาการเสดจการตายการเห็นการไหวในโลกอีกต่อไปเทาัน มันึมันเอบล่มเดี่ยใส่ผู้คนถึงความบริสุทธิ์อยู่บนนิ้วข้านแต่ฝึกมากยังพวกเข้าฝึกนี่แหละคอยฝึกไส่ที่นิ้ที่น่อยเลี่ยที่ไปชี้กันจะเข้าเดินข้างอ๋องานเต่านั่น น, น, นุ้นเต่านี้เต่านี้นุ้นเตานั่นหลายเต่าเข่าใส จ, จากขถานที่เดี่ยวใส่ใส่จากใสจากที่เข่าหักเข่าเต่าพ้นที่ชุดก็ไปถึง เขามืองหวังได้ใสเเดียวบ่หอดบวทงดอกอา้นั่นนุ้นี่มีการปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติตทุกวันทุกวละกแต่ถ้าบันเบืไปจะไปถือว่าเวลานี่มันเ่เวลานี่นั่นมันนุงมันบ่อหนูใดมันสบายดอกโลกอันนี้นต่จะคว่ำหนาควหนุงเท่านั้นที่เอาคว่ำหนาคว่ำหนงมาเป็นเคร่งพักดันเอาคว่หนาคว่หนงมาเป็นแนวน่เหตุแยงบ่ได้ ท่าเยอะเท่านั้นหนักคื อ, อยันต์มันมีบุคตลผู้ใด้ปันไงพระพุทธเจ้ากระบอกไงหาักอยู่แฉบหลอมแทบตายวาความเนศิษได้คุณงางซ่อมดีมะสอนหลกหาเรียกเจ้าทาั้งหลายใจหงักแสนหนักลำบากแสนลำบากบางขันบางองค์อดรับอดนอนเจ็ตลอดไปมาสมเดือนจนตาแตกย่างเขาเจ้าู้บ้านบ่บนนยอมรับยอมนอนหากมรรคผลบกเกิดขึ้นได้คิดได้ ใ, ใจ ผีบย่อมเหยื่อย่อมนอนเลยต่างจิตต่างใจระยะหนท่านความเชี่ยนกันยังธมะธรรมิณเห็นทีทุดตาแตดตาเนืยวตาในจะได้เส่อมหลูดความสลาดขึ้นในระยะตาเหนืยวเนแตดเป็นรูแฉ่งแฉ่งตลอดในท่ำอย่างก็บอกเป็น ปัญหาอันใดสำํำรับตาเนี่ยเวลาเหลนรูปทางคิดทางใจถึงย่างไดมัน้ำบแตกข้าวหนี่นั่งจากศรีแตกข้าวตายแหละสํำรับตาควรเฉลี่ดปัญหาผีเพค่รมุงหนา้ามุงตาส า, สาละกสาสังไหลสาลักไปแล้วลุบไปแล้วผีมาก่อควรให้เกิดอีกเป็นทุกข์อีกบ่มีความดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เท่านีเย็ดพร้อมล้อมดึ้เอาไว้ นายจิตนาใจใจจนเชี่ยงพ่อจนลดพ้นจากความคลาดคล่องของจิตของใจจากวิเศษปัญหาทั่วไปถึงปัญญาแปะตาในชนี่ความดีมมวิเศษชนนี่แเล้าว่าเป็นปัญหาอันใดถ้าหากตากระแจกหูกระหนวกซะวาสติปัญญาลีชาความหูมาขนอันใดบนนี้ตากระแจกไปเตาหูกระหนวกไปเตา ร่างกายก็ตายไปเตามันขาดทุนหลายเนี่ย่ะตาแตกนี่ลมตายไปแต่มัดผลภายในจิตได้ใจเกิดได้เกิดได้หนี้ได้ในการจะมมท่ามอมเพ่นมันระบบเป็นของสามขั้นอันใดเพราะปัญญาก็เข้าไปไปเด็ดเนี่ยถึงเนี่ยมันอิจฉาก็กเด็ดอิจฉาใจมันหายไปก่อนตามแต่เข้าได้ป่ามาเข้าไปดีอกดีใจท่านนี้ เที่บไปใสเด็ดมันหมดไปแค่ตาเขาเ่ได้มันมันไม่ซ่อมดีใจอันไหนห่ีเข้าเกิดมาเป็นมนุษย์พพระพุทธศาสานาะร่างกายของเขา่าลมหายายไปแต่เส้น้าซ่อมดีอันไดเข้ า, าพบพ่ไดนะ้เขามีซ่อมเสียใจหนีเขาเกิดมาเป็นมนุษย์พพระพุทธศาสานาะตาของเขาขได้เห็นผู้คนประพฤดีปฏิบัติสอบอกของเข่าประเด็นธรรมะธมโมใจของเขาปเด็คิดได้นืน ท่าบุญทา่าก <c oughs> ุศลท่าเกิดมาจึงบาเป็นคนโมฆะมาเป็นคนเตาในอุตสาหสร้างนามทาบุญจนท่านตามสาลักล่างตามปามลล า, า, มมาต้องเฮาพยายามทำไปจนชีวิตท้าใหม่เวลาตายตายไปเหมื่อนใดเข้าใจคอยติตยึดสียามันผู้ชินแล้วลึกเมกใดยังนี่จังก า, าสาสังคุณงามความดีซาเทียงท้ายชีวิต มาในสถานที่ต่างๆสละความชุกของสายสี่เฝ้าเคยอยู่บ้านอยู่ซองเคยนั่งเคยนอนผูกขอบหมอนต่างๆออกมาอยู่ตาอยู่โดงออกมาตังเศษตั้งถ้ำออกมาตั้งเศปฏิบัตินี่เด็กชื่อว่าผู้พึกหัดอยู่เดินตามหล่องร้อยของพระเยจจอยข้ามาเก่าก่อนเห็นมันขวบขนทั้งหลายอุตส่าห์ไปย่ำมาสั่งคุณนงามความดี ในข้าวนี่ก็ะ ด, ดชื่อวาเป็นผู้สีอ่อนี่แท้้าคือซ้ำเสะในข้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าจงออกมาได้บยยัวยางนั่นออกมาบาัวได้แตองคิดในบนัตนในซองในจึงในของต่างๆเท่าออกมาได้ยางนี่นรนกร่ดัยเสวเป็นคนดีที่พระพุทธเจ้าชนดังเสริญย่อเขาคือจิตใจของเขาให้ละใหะ้ถอน ในความคิดของนนในสาฐานบานาาาา้านสองต่างๆไหวตัางใจเข้าเขายังมีชีวิตอยู่นี่แหละต่อไปเมื่อเข้าหมดลมปานะชื่อลมหายายไปคิดเท่ายังสีบอกของในบ้านใน่องในจึงในของต่างๆสีอาศัยบุญกุศลสี่เข้าอบลมจะทําบําเพ่นมากนี่พบนี่ขาดต่อไปบุญกุศลสี่เข้าสร้างไหวเดืวดใจเดือดใจของเข้าสีเข้ามีชีวิตอยู่ ข้าวสืบได้อาศัยถึงผ้าบุญกุศลชวนนะ่ะไปเกิดในสถานที่ดีมีสุขสามความมุ่งมายตางคณะของข้าวบ่เป็นคนอาขับอัพชนข้าวได้สร้างบุญกุศลทุกสิ่ทุกทอย่างมนาะเกลียดพร้อมเพี่งพ่อแล้วจิตไปเกิดในสถานที่ใดใดตามความส่องสารนั่นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่ากัเป็นผู้จี่ โมมีโกรกไข่ไข่เกี๊ยบเป็นฟูถี่สมบูรณ์พูนซุกเดือดสับสมบัติทุกจิงถุกประการสนุ๊กสังน้ำถ้ำบุญซุนถ้ำต่อไปเห็นผลสี่ซุดหยุดใจของเขาเห็นมีหมดเมื่อใดเข้ากสิยรุดลอยออกไปจากโลกโมจะเกี่ยวของในการเสียตายอีกต่อไปมีสารสังคุณงามข้ามดีสางไปว่านันนิดว่านีหน่อยดือดความบริยุทธ์บริถอยไทยย่างท้ำ มีหน่อยแต่ทําบวายุบวายถอยมันมากถิ่นเองยึดใจของเฮ้าแั่นี่ท่านน้องเดียวกันครับด่านวัตถุด่านวัตถุของหน่อยก็ตามใจเจ็ดมารวมกันเสาวายุบวายถอยมันหลายถิ่นมากถิ่นุีนงานซ่อมดีดีเฮ้าสะสมอบรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมันสะสมอบรมอยู่เรื่อยๆคนงานซ่อมดีแต่ใครวิ่งพุ่นถิ่นคนงานซ่อมดีตัวนี้ เป็นของสีเจ hmm. ินสีน่านแย่งเอาบัได้ตายไปก็บบเสียบัวเสียสมบัติถัดสถานชายนอกตายไปแหละเป็นของคนอื่นเป็นของลูกของหลานหรือว่ามีลูกมีหลานหลวงเขาไปยึดเอาไปได้เป็นสีรอแหลมนต้ไส้ต้อนต่อนเจนดอกขาวมุ่นส่วนบุญกุ่ฝนถินทานภาวนาสีภูใจเจ้ากาไหวบ่มีบุคคลภูใดสีไหมฝนเอาได้บ่มีบุคคลภูใดสีมามถึงมาเผา หายเช้าย ห, หายไปพระพุทธจเจ้าจังหวะเมื่อไดเฮ้ายังบวชท่านถึงขีดสุดดีหตดนิพพานหายต่างเอาแต่ถ้ำเอาจิเป็นขีดถึงของเฮาในโลกทางหนาขอบุญกุศลหากมีได้จึงของบุคคลผูดดล้ใดล่ะไปสต่านที่ใดบ่หน่อยนะ่หนาตามใจไปเกิดได้สะดวกสบายอยากจะเกิด เ, เ, เ, เ, เ, เป็นเถิดปวุธิเถิดสติดาเป็นอินเป็นพ่อมจะได้ อยาวกววกวนมาสังบาลานีในม น, นุษย์อืจะได้สามข้อ ม, มุ่งมาตฐานาของเฮ้าหากเฮ้าบริสัง่งคุณงามซ่อมดีเอาไว้จะอยากไปยางเพลนมันจะไปเพาได้เท่ากันก็เฮ้าวอมีเงื่อนไงอยากขึ้นรถเท่ากับว่าอยกขึ้นเ้อะแต่เท่ามีเงื่อนเนี่ยอยากขึ้นสั้นใหญ่นี่เพว่าแต่จอยากขึ้นันี่อยากขึ้นมนานมนเป็นเซบัสเเฮาก็ได้เงินทองเป็นเกี่ยวารผัดน็อันหนึ่งสาหรับ มนุษย์เข้าแกหักขไปจ่างเอาสว่านจ้างเอานิทานโม่ ไ, ได้เนี่ยควรบุญควผู้เหนเี่เป็นเกีเก่ยว ส, สำหรับพัดนึ่งสหรับภพหนาขีไปเกิดสถานที่ใดใดตามสาธนาเพราะเขามีบุญมีกู้เนไหวไหใจข้องเห้าแล้วอยากไปสถานที่ใดไปได้เนี่ยเข้าวมีเชืองบินนี่เป็นวัดี่ไปต่อตาม สถานีถ่านยู่สถานที่ใดบุญกุศลทครงเสมด้วยซากจวงไปหัเพราะบุญกุศล น, นั่นนําบุคคล น, นใ น, ใ น, น, คคนคคตนปไปเกล็ด ใ, ใ, ในสถานที่ทุกที่สบายควรบาปกุศลนําบุกข้นปวดฟิสประัุดผูเห็ดกูถ้ำไวในตัวสถานที่ตัวสารล่ามกยางน่ารกเศดอู้เลาสายสติเล่าสารสิ่งข้าบวบัต้องการจะได้ท้ำไวมันจะ คุดลากเข้าไปชื่อกันจับคนถือใบยันแบบคุกยันแต่ล่างเหรอถึงยันด้ยวยแต่ามแามาม ย, าาย่ทําคว่มตัวแย่หายเขาก็จับปุงมคุ้มตัวไปใ ส, ป ส, ส, สุ่กเสียต่ล่างไม่อยากเข่าก็ได้ก็ได้เข่าหนูชื่อคนถี่ท่ำตัวคนถือท่ำดีโดยมีเถิดมีใข่ไปส่านสี่ร้อเขาก็จับปุมคุ้มตัวควรบุญควรผูกเชิญที่ห้งางตางไว้เป็นชว่ำดี คำคันถึงน้าม้าหายไปเกิดในสถานที่ดีมืเอเฮายัางพันวุฒท่านฝนจิเกิดปัญหาเมือเฮาลุกเฮาเปนไปเมื่อใดอย่างบุญอย่างบาปแต่าเป็นปัญหาสำหรับบุคคลผู้น่ะเพราะหมดคว่ำเจยวของผัวท่านจะสำหรับคนด่ดีนี่จิตอันบริสุทธิ์บุกใหสั่งความสัว ถึงคนคนไปแล้วแต่ ว, ว่ามันจิกลรมมันทำตัวอีกเหมือนกันกับคนเกลียบกลัวกับฟองฟกกะฟกแล้ว ว, ว่าอยากจะเกลียบกลัวอีกเพราะว่าชิดเปลี่ยนมันเน้นชีวิตใจผู้ทีเ่เพิ่งเห็นทีนี้ถ้ามันถ้ทมันต่ความดีต่างใจความดีเอาไว้ระดับกายประดับใจของคนจนถึงขีดสุแล้วแตอยู่สะดวกสบายเนี่ยตายไปการใดแต่ ว, ว่ามีทุก เพราะว่าจริงนั้นยังบอกให้ในเหตุจรงอย่างบอกให้ในธรรบอเคยมีจิตของมองใจของคนศาสตร์ของคนเป็นปัินมาศาสเป็นศาสทร์สุดถ่ายตายแดนมาแดงงมาเกิดเยี่ยนมาเกิดอีกหนึ่เท่าจักสิเกิดอีกจากภพจากชาตจนถ้าพุทดเจ้าก้อนซ้รอ่ะทำหน้าว่าเทาสิเกิดสิตายไปอีก เขาได้กัปเขาได้สันไปสีผลไปจากวิเวลสตัณหาจากโลภจากโกรธสารเทวธาตุ ว, วเอาเพิ่พยากรหายแต่ห้าวนือมันจีมืดจีน้าเพเทวธาตนี่ย อ, อาจจีเป็นได้ขอบว่าเลยนี่พระเจ้าพยากรแต่เชีงยงใดก็ดีเขาเชื่องคุน ง, ง, งามความดีใหพุทธะภายในพยากรห้ดจิตใจของห้าเยานี่ไม่ซ่อมหรือซ่อมชัว์เพราปัญใด ไข่จิตที่เจริหน้าจิตของเฮาตามตาลามกเข้าก็ลีบพื่อจิตเอบรมใจของเฮาให้ดีเด็นสูงขึง้นจะให้มันจิดความส่วนาลาโมจิตของเฮาดียืเกิดอยู่แล้วแต่ยังไม่ให้เพงชี่สุดขเขา้ากะพยายยกท่านจิตเพืใจให้ดีเดน็นสิ้นไปจนถึงชี่สุดเอาพุตถากภายในเป็นเสื่อายากรให้ ขเขาเฮามีพุทธะอยู่ทุกคนพุทธะติดชื่อพูรูเข้ารูอยู่หนาวเข้าการรูหล่อนเข้ากรูพิเข้ากา็รูถูกเข้ากรรูยืมเข้ากระรูมีเข้ากรรูเข้ารูอยู่ในเข า, า เ, ขาาเขาด็กเข่าใจอยู่ในเข้้งนั้นพุทธะตัวนี้เป็นพุทธะที่สาคัญหาผูเลสที่ผู้ลดเข่าใจเห็นพุธธทธะภายในที่เห็นพุทธะในใจิตในใจของฝนจริงจังผูนันเป็นผูหมันโคงจิอบาย อย่าพูดม่ได้เป็นผู้ที่ v e ดีเสร็จอย่าพุทธะภายในมีอยู่ในจิตในใจของเฮาทุกคนมันซึกงฝนการภาวนาเนี่ยเข้าไปคนที่ชุดที่ไปประสบพบเห็นพุทธะองค์ภายในพุทธะองค์ น, นี้คือบอกเฮาสอนเฮาเฮาคิดคิดท่ามคิดพุทธะองค์นี้เธอคิดใจบอกให้ว่าจริงนั้นบสมควรจริงนี่สมควรรู้ เขาใจอยู่ภายในของเห่าย อ, อ, อ, หอย่ยอยพุทธะเฉพาะตัวเป็ น, น, น, นผีของผีงนิ่งอยู่ทั้งคุยนิ่งทั้งผู้ใช้ทุกทุกคนนู่อยู่บ่เลยนิ่แต่เจนากบวชคารวะจะนิีพุทธะองค์พุทธะองค์นี่หาผู้ใดเสื้อผู้ใดเหลียมใส่ผู้ใดไปจีบัสพุทธะองค์นี้ได้ เป็ผู้ดีดีเดินพอเห็นพระพุทธเจ้าภ่ายหนอกพอเห็นแล้ววะพอเพื่อปฏิบัติตามแล้ววได้มากได้ผลได้คุ้งามความดีอันใดควรเห็นพุทธะภายในต้องอาศัยการทําความดีการสืประทศพบเห็นได้พอได้เห็นพุทธะภายในได้ผูนั้นมีกายมีใจเยือกเย็นมีความสุขทุกการทุกเวลาการภาวนาคือการ ฝึกสามอกล้มจิตของตนเหมือตนเอาพอท่านใช่ลงมใช่ร่วมใช่สงกษณะจะให้กระดิบัดแบบบริกรรมหรือแบบเพ่งจึิงใดจริงหนึ่งที่เพ่งเอาไว้ยาว์หล er. ่างกายเขาเข้าทีเพ่งหนังเพ่งกระดูกต่างใจเพ่งเยอะฮะด้ยจิตของเขาน้ำโบตัางใจเพ่งมันแทรสซายนั่นบริใดสาราประโยชน์อันใดนันบรแหลมบุคคลให แผนเพลงเขาจิ้มจังๆล่ะตั้งจจแต่จี้แจ็คจอหยิบมันมาเลยเหยื่อล่อใส่สฐานที่อืน่นบังคับให้มันอยู่ในสถานที่ห้าเพงมันมไดใส่ฟอกวนเกียวของกับเหลืองอันอืน่นคือกาเจาฮัลซใหม่ใ้จี้เี่จันแจ็คี่บ่มีสอดมีทะลให้ทีบลได้ให้ที่ี้งใจบริห แล้วมันสอดลงไหนมันทะลุลงไดนจิตใจที่เขาบริเุทธลร่วมเมื่อเขาฝึกเขาเพ่งย้อนหรือเขาบริกรรมสั้งมันย้อนมันลงได้มันร่วมได้แล้วผู้ใจจ่ายได้สอนเขาฝึกทำนองสะกอนความลงร่วมของจิตของใจการฝึกจิตฝึกใจเอาใจใส่ที่จะจิตจิงจัง ญาติไปล่อยแต่แต่เมื่อันที่เทิที่เป็นีเห็นเถาะถ้ำนอกเหมือนันก็ได้มากเลยผลอันไดเขาเคยปล่อยมาแล้ว <S <S เขาที่เอาแบบใหม่เขาสีต่างใจดริงจังนะกันเตุกัน์นถำผลมันจะเกิดขึ้นเห็นข้นเห็ายสียต๊กขาดผลมากกว่าเห็ำ บางขันบางคนเพราะถลงไปนิดนิหน่อยหน่อยบ่ได้ตามซ้อมมุงมาตาดนะเลยยุดเล่ถอยไปฮะเรื่องอันใหม่ถ hey, no, an ้านองเหมันต์บ่ได้ทื่กันเจ้าเขาปลูกเป็นใหม่เขาปลูกลงไปยังบ่แห้งเลยเขาู่เพอะข้าวเลยบางคาถ้ามันออกดอกออกผลมันออกบ่ได้มันบ่ได้จึงการถึงสมัยของมันมันก็บ่ออกถ้ามันบ่ออกกินซีทรอนไปปลูกเ็นใหม่ซะหน่า ตอนเี่ยวสายส่นไหมไบ่เลยินดอกินผนอันใดพวมันชื่อกันการขี่้องใสบริกรรมอันนั้นวัตถุชิลิชทงเจอด้วยบริกรมอนอ่ถิิอเ้ยได้ไปแบบไงให้บอกอันใดแ่เเห่หนาเพราะว่าหลังคุกไปนั่ได้เอาจิงเอาสังจักยางแต่มันยังสั่นมันเป็นคนจับเกบเป็นคนีบ่แน่นอน ก็ต้องพึ่งคิใจของห้าวให้มันค้งเอาอะไเอางเอาจังหนเห็มันเห็นฝนจากการแต่ทำบำเพ็ญของห้าเ่การให้ท่านนาดเสนอนย่ออุสาพยายามทำมาหลายงหลายอย่างหายแหงหลายนอย่างนะนึกนะสิ้คน่ีาทาด้่ยสางน่านบุญ ขนาดวกอย่าจมสี ม, ม่ปนะวัดว่าศาสนาเรยส่างมากสร้อยถ้ำบําเพ็ญมากแต่ส่วนด่านภาวนา่ถาถ้ำอีกให้มันไหล ไ, ล ไ, ลไลลหลับตังใหญ่แล่นซึ่งถ้าำส่วนใหญ่เคยสิ้นเป็นความสุขของใจนแหละพอะม่ถ้ำเถต่วผู้อื่นด่านภาวนาา้าเาข้ากบกช่วยชใชยถ้ห้อกระเทว่ามันง่ากมันลาบาก แต่ข้ามผืนผู้คนใช้ใช่ข่านผู้คนของเสือสนิทสนั่นเป็นท้องไงไงประการหายท่านเพราะเหตดใดทุกการทุกเวล่าข้าวหายท่านตรงนี้คุณว่ารับผู้คนเป็หายท่านแบบเช่นภาวนาดีผู้หลับบ่มีผู้หลับเพราะเหตุอะไรยุคผู้เดียวกัเหตุใดยุคไฟในใด้งก็เหตดไดยุคไม่ดานนะเช่นแตเหตุใดเหตุใดสะดวกสบายเป็นท้องไงว่าเด็กไปขวนไปหาวัตถุอันใดมาก แจงเหยดินได้ยืใจกับยคหยือกความเย็นความสุขความสบายหนกมา้ากายแองยู่กว่าการหาท่านอีกหาเพยียดได้ข้ามได้และการภาวนาเนี่เป็นเรื่องการสำลักวิเลปัญหาเป็นยอดท้องบุญพระพุทธเจ้าช่วยหาท่านรักษาสีนมาเ็นเวลานมแน่นหลายคบหลายขาดแจงเหนือเวลสิเดตัสูร เป็นพยายามพูดเป็นพูดสอนโลกประธาได้แต่พออาศัยการภาวนาเขาถึงจงไจากถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทาังจะไนั่งเช้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นผีถึงเล่ากับซึ่งพลมจิตใจของเขานี่เป็นผู้ออจิเสื่อพระพุทธเจานน้าภาวนาตามพระพุทธเจา้าถีดเพนเคยแต่ทําบําเพ็ญมาก เราลึก อ, อันใดจะเป็นภาวนาใหา้ันมีเศรษฉันบ่มีเศรแล้วาลึก อ, อันใดจะบุเป็นภาวนาให้เขาพุดให้เจ้าสิจ้าเจาโหสินี่คิดใจลงลอมคนจะว่ไดเอามาจากถานที่ใดกำหนดิ่ ม, มหายใจของคนกำหนดิ่ ม, มออกออก็โนดล ม, ออ ม, ล ม, ลมเขาบ่คิดใจหยุ่หยุ่นเกี่ยวของกับสัญญาล้มอันใดเ้นที่คิดิใจของนจะสงบมีเื่ยงเ้นที่จะได้พุท ว่าสารนิตย์สย่านพระองค์กำหนลมหายใจเข้ากับนี้วลมหายใจ